บทที่2พุทธจริยศาสตร์ระดับกลางพุทธจริยศาสตร์ระดับกลางหมายถึงการเว้นอกุศลกรรมมบทสิบและทํำกุศลกรรมมบทให้สมบูรณ์บางทีท่านเรียกว่าอาคาริยวินยัยแปลว่าวินัยของผู้ครองเรือนหรือคฤรืหัดมีใจความโดยย่อดังนี้อกุศลกรรมมบทสิบ อากุศ ล, ละการมบทคือทางแห่งอากุศลท่านจำแนกไว้1ิบประการคือ 1. ปานาติบาตการทำลายชีวิตสัตว์คือการฆ่าสัตว์ 2. อธินนาทานการลักทรัพย์ 3. การมสุมิชฉาจาร์การประพฤติผิดในกรรม 3. อย่างนี้เป็นกายกรรม 4. มุสาวาดการพูดเท็จ 5. ปิสุนาวาจาการพูดสอดเสียด 6. พรุสวาจาการพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจ้อสี่อย่างนี้เป็นวจีกรรม 8. อภิชาความโลภอยากได้ของของคนอื่น 9. พยาบาทความปองร้าย 10. มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด 3. อย่างนี้เป็นมโนกรรม พระสิริมังคลาจาร์กล่าวว่าท่านจักถือเอาในยะต่างๆอานมาในอัธกถาต่างๆมาอธิบายอากุศลและกรรมบททั้งสิประการข้าพเจ้าผู้เขียนพุทธจรรยศาสตร์จักถือเอาสาระสำคัญโดยย่อของเรื่องนั้นๆมากล่าวอีกทอดหนึ่งท่านอาจารย์วัสินอินทศระได้กล่าวถึงพระสิริมังคลาจาร์ไว้ที่เชิงอาน ด, ดังนี้นะคะ พระสิริมังคลาจารผู้รจนาคำพีมงคลทีปนีกล่าวว่าอากุศลกรรมบทข้อปานาติบาตนั้นมาแล้วโดยพิสดารในอัถคถาตติยะปาราชิกคือปาราชิกข้อที่สหมายถึงในคำพีสมันตะปาสาธิกาภาคหนึ่งหน้าห1 5 15, และในอัถกถาทุติยะปาราชิก คือประราชีพข้อที่สองในคัมภี์สมันตะปาสาธิกาภาคหนึ่งหน้า356ข้อกาเมสุมิฉาจา์ท่านพรณนาไว้ในอัถกถ า, าสันจริตสิกขาบทในคัมภีร์สมันตะปาสาธิกาภาคสองหน้า47และในอัถกถ า, าสังขีติสูตรทีคานิกายปาติกวัค คือคำพีสุมังคลวิลาสินีภาคสหน้า3า3อากุศละกรรมบท7ประการต้นท่านพรรณนาไว้ในอัถกถาพรมชาลสูตรคือคำพีสุมังคลวิลาสินีภาคหนึ่งหน้า93ส่วนอากุศนละกรรมมบทสข้อหลังท่านพรรณนาไว้โดยพิสดารในอัถกถาสังคีติสูตร คือสุมังคละววลาศินีภาคสาหน้า314และในอัธกถาสาเลยกะสูตรคือคำพีอันชื่อว่าปะปัญจะสูทนีภาคสองหน้า449อกากุศลกรรมบททั้ง10ประการท่านพันานาไว้ในอัธกถาสามมาทิฏฐิสูตรในมูลปันนา หมายถึงปาปัญจสูทนีภาคหนึ่งหน้า272และอัถกถาอัฐาสารินีหน้า180 1. ปานาติบาสัตว์มีชีวิตท่านเรียกว่าปานะการปรงชีวิตของคนและสัตว์ลงเรียกว่าปานาติบาทโทษของปานาติบา ปานาติบาตนั้นมีโทษมากเพราะสัตว์มีคุณมากหากสัตว์มีคุณน้อยโทษก็น้อยลงพึ่งพิจารณาโทษของปานาติบาตด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้คือ 1. ความใหญ่และเล็กของสัตว์ 2. ความมีคุณมากและน้อยของสัตว์ 3. เจตนาในการฆ่ารุนแรงเพียงใด 4. ความพยายามมากน้อยเพียงใดสัตว์ที่มีคุณเสมอกันการฆ่าสัตว์ใหญ่ย่อมบาปมากกว่าสัตว์เล็กเพราะความพยายามในการฆ่ามีมากกว่ารุนแรงกว่าเจตนาก็เป็นไปรุนแรงกว่าสัตว์ยิ่งมีคุณมากเท่าใดบาปก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่น การฆ่าพระอาหารหันต์ย่อมบาปมากกว่าฆ่าคนสามัญการฆ่ามารดาบิดาย่อมมีโทษมากกว่าฆ่าคนทั่วไปดังนี้เป็นต้นการฆ่าเองหรือใช้ให้คนอื่นฆ่าก็ผิดศีลเท่ากันองค์ประกอบของปาณาติบาตท่านหมายถึงองค์ประกอบที่จะทําให้ศีลข้อนี้ขาดมีห้าประการด้วย ก, กันคือหนึ่งสัตว์มีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต 3. จิตคิดจะฆ่า 4. มีความพยายาม 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นเมื่อครบทั้งห้าประการนี้ศีลข้อปานาติบาจึงขาดหากไม่ครบองค์ห้าศีลก็เพียงด่างทะลุพร้อยหรือไม่บริสุทธิ์คือเศร้าหมองไป คนที่ประกอบปาณาติบาตเนืองๆนั้นท่านว่าอำนวยผลให้ตกนรกขึ้นจากนรกแล้วหากเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์ดิรชานก็ทำให้เป็นผู้มีอายุสั้นพลันตาย 2. อาทินนาทานอาทินนาทานแปลตามตัวว่าการถือเอาของที่เจ้าของอยังมิได้ให้คือละขโมย จะขโมยเองหรือสั่งให้คนอื่นขโมยก็ผิดศีลข้อนี้เท่ากันโทษของอธทินนาทานอธทินนาทานจะมีโทษมากหรือน้อยก็แล้วแต่องค์ประกอบคือ 1. ของเล็กหรือใหญ่ 2. ของบุคคลที่มีคุณมากหรือน้อย 3. ความพยายามในการขโมยมากน้อยเพียงใด องประกอบของอธทินนาธานมี5ประการคือ 1. ของผู้อื่นหวงแหน 2. รู้ว่าเขาหวงแหน 3. คิดจะรัก 4. มีความพยายาม 5. ้รักได้มาด้วยความพยายามนั้นอันหนึ่งท่านกล่าวว่าคนประกอบอธทินนาธานเนืองเนืองทำให้ต้องตกนรกหากมาเกิดเป็นมนุษย์ ทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์อยู่เนืองเนือง3ามกามสุมิชฉาจาร์อาจาระอันซามซึ่งบัณฑิตติเตียนท่านเรียกว่ามิชฉาจาร์มิชฉาจาร์อันเป็นไปในการคือในเมถุนธรรมท่านเรียกว่ากามีสุมิชฉาจาร์โดยใจความคือการล่วงละเมิดในพันรยาของผู้อื่นโทษของกาเมสุมิชฉาจาร์ กาเมสุมิจฉาจารนั้นมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาคามณียฐานคือสตรีที่บุรุษไม่พึงล่วงละเมิดนั้นมีคุณมากหรือน้อยหากมีคุณมากก็มีโทษมากมีคุณน้อยก็มีโทษน้อยอันหนึ่งท่านกล่าวว่ามีโทษมากเพราะความพยายามแรงกล้ามีโทษน้อยเพราะความพยายามน้อยและกิเลสน้อย องค์ประกอบของกาเมสุมิชาชาจารมี4ีประการคือ 1. อาคามนียฐานคือสตรีนั้นบุรุษไม่ควรล่วงละเมิด 2. จิตคิดจะเสพเมธุนธรรม 3. มีความพยายามในการเสพ 4. ยังองคชาติคืออวัยวะสืบพันธุ์ให้ล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิง วิบากของกามีสุมิชฉาจาร น, นั้นท่านว่าทำให้ตกนรกหากเกิดเป็นมนุษย์ก็ทำให้เป็นผู้มากไปด้วยเวรและภัย 4. มุสาวาตการกล่าวเท็จทั้งๆที่รู้อยู่เรียกว่ามุสาวาตและการกล่าวนั้นมุ่งหักรานประโยชน์ของผู้อื่นโทษของมุสาวาต มุสาวาจะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ผู้พูดเท็จหักรานมากหรือน้อยถ้าหักรารนประโยชน์ของผู้อื่นมากก็มีโทษมากอันหนึง่งมีโทษมากเพราะผู้ที่ถูกหักรานประโยชน์มีคุณมากมีโทษน้อยเพราะผู้ถูกหักรานประโยชน์มีคุณน้อยอีกอย่างหนึ่งหากกิเลสและความพยายามอ่อนก็มีโทษน้อย กิเลสและความพยายามแรงก็มีโทษมากท่านกล่าววิบากของมุสาวาดว่าทำให้ผู้พูดเนืองๆตกนรกหากเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่ใครๆขาดความเชื่อถือองค์ประกอบของมุสาวาดมีสประการคือ 1. เรื่องไม่จริง 2. จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน 3. ความพยายามอันเกิดจากจิตนั้น 4. ผู้อื่นเข้าใจความตามที่ผู้กล่าวเทศต้องการอาจารย์บางพวกกล่าวว่ามุสาวาดมีองค์สคือหนึ่งเรื่องไม่จริง 2. จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน 3. ผู้อื่นรู้เรื่องนั้นตัดข้อที่สมไปท่านกล่าวตรงกันว่า แม้ผู้พูดมุ่งกล่าวเท็จแต่เมื่อผู้ฟังไม่เข้าใจความหมายมุสาวาทนั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามประสงค์กรรมบทจึงไม่ขาด 5. ปิสุณวาจาปิสุณวาจาแปลว่าการกล่าวส่อเสียดหรือการยุโยงให้คนแตกกันเพราะโลภะหรือโทสะก็ตาม หรือเพราะมุ่งทาตนให้เป็นที่รักของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งก็ตามโทษของปิสุณวาจาร์ปีสุนวาจานั้นมีโทษมากหากผู้ที่ถูกยุยงให้แตกกันนั้นมีคุณมากมีโทษน้อยหากผู้ที่ถูกยุยงให้แตกกันมีคุณน้อยองค์ประกอบของปีสุนวาจามีสี่ประการคือ หนคนอื่นที่พึงทำลายให้แตกกัน 2. มุ่งทำลายให้ผู้อื่นแตกกัน 3. ความพยายามอันเกิดจากการมุ่งทำลายนั้น 4. ผู้อื่นรู้ความนั้น 6. พรุสสวาจาพรุสสวาจาแปลว่าการพูดคาหยาบคือพูดคาอันทาให้ผู้อื่นกระทบกระเทือนใจเช่นคดาด่า คำประชดประชันกระทบกระเทียบเปรียบเปียล้วนแต่เป็นคำหยาบทั้งสิน้นเพราะออกมาจากจิตที่หยาบแต่ท่านมีข้อแม้ว่าหากผู้พูดมีจิตใจอ่อนโยนไม่ปรารถนาให้เป็นไปตามที่ตนพูดวาจานั้นไม่ถือว่าเป็นคำหยาบมีตัวอย่างดังนี้เด็กคนหนึ่งดื้อดึงไม่เชื่อฟังคำของมารดา จะไปเที่ยวเล่นในป่ามารดาห้ามเท่าไรก็ไม่ฟังมารดาจึงพูดว่าขอให้แม่ควายดุจงไล่ตามมันแต่ใจของแม่หาปราถนาเช่นนั้นไม่เมื่อเด็กเข้าไปในป่าก็พบแม่ควายยืนขวางหน้าเด็กจึงทำสัจจากิริยาอธิษฐานว่าถ้าใจของมานดาคิดเหมือนปากพูดก็ขอให้แม่ควายไล่ทำร้ายเรา แต่หากมารดาพูดอย่างหนึ่งใจคิดอย่างหนึ่งก็ขอให้แม่ควายจงหยุดอยู่ดังนี้ปรากฏว่าแม่ควายยืนนิ่งอยู่กับที่เหมือนถูกผูกไว้ท่านกล่าวว่าจริงอยู่บางคราวมารดาบิดาหรืออุปชัยยะอาจารย์ย่อมกล่าวคำอันรุนแรงกับลูกศิษย์แต่จิตของท่านย่อมเปี่ยมด้วยเมตตาพรานี หวังความเจริญแก่บุตรหรือสิทธินั้นเสมออย่างนี้ท่านไม่เรียกว่าคำหยาบแต่ตรงกันข้ามแม้พูดวาจาทำนองอ่อนหวานแต่มีเจตนาร้ายมุ่งร้ายท่านถือว่าวาจานั้นเป็นคำหยาบเพราะออกมาจากจิตที่หยาบโทษของพรุสวาจา พุสวสาจานั้นมีโทษน้อยเพราะผู้ถูกกล่าวคำหยาบมีคุณน้อยชื่อว่ามีโทษมากเพราะผู้ถูกกล่าวคำหยาบมีคุณมากอีกอย่างหนึ่งพุสวสาจาจะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกิเลสของผู้พูดที่อ่อนหรือแรงเพียงใดปัญหาว่าการพูดคำหยาบต่อหน้าถือว่าเป็นคำหยาบ แต่การกล่าวลับหลังถือว่าเป็นคำหยาบหรือไม่เฉลยว่าอาจารย์บางพวกตอบว่าพรุสวาจาที่กล่าวลับหลังนั้นกรรมบทไม่ขาดไม่ถึงที่สุดหมายความว่าศีลกรรมบทข้อนี้ไม่เสียต้องกล่าวต่อหน้าและผู้ฟังเข้าใจความหมายเท่านั้นศีลกรรมบทข้อนี้จึงจะเสียส่วนอาจารย์บางพวกตอบว่า จะกล่าวต่อหน้าหรือรับหลังก็เหมือนกันมีผลเท่ากันท่านยกตัวอย่างประกอบเรื่องการกล่าวร้ายพระอริยะเมื่อพระอริยะเจ้านิพพานแล้วไปขอเขามาท่านที่ป่าช้ายังสามารถระงับอันตรายอันเกิดจากการกล่าวร้ายพระอริยะเจ้าได้อริยุปวาร์ทันตรายฉันใด การกล่าวพรุสวาจาในที่รับหลังก็เป็นพรุสวาจาฉันนั้นองค์ประกอบของพรุสวาจามีสามประการคือ 1. คนอื่นที่พึงถูกด่าสองจิตโกรธ 3. การด่าคำว่าจิตโกรธนั้นท่านหมายความเพียงว่าจิตโกรธและมุ่งหมายในการด่ามิใช่มุ่งหมายให้ตาย ถามุ่งหมายให้ตายย่อมกลายเป็นพยาบาทไป 7. สัมผับปลาปะสัมผับปลาปะแปลว่าการพูดเหลวไหลไรสาระบางท่านเรียกว่าพูดโปรยประโยชน์คือพูดแล้วผู้ฟังไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านยกตัวอย่างเช่นเรื่องมหาพารตตยุทธอันเป็นสงครามระหว่างกษัตริย์พาระตตคือวงปานดดและ ว, วงเก่ารบ รบพุ่งกันที่ทุ่งคุรุกเกษตรและเรื่องรามายณะเป็นต้นเรื่องพวกนี้ท่านถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เป็นสมผัพปลาปะท่านผู้กล่าวคงมุ่งข่มพราหมณ์อยู่ในทีเพราะเรื่องทั้งสองนี้เป็นเรื่องเยี่ยมของพราหมณ์แม้ฮินดูในสมัยปัจจุบันก็ยังหลงไหลมหาพารตายุทธและรามายณะอยู่เป็นอันมาก วันพระรามกลับเข้าเมืองอย่างฉลองกันทั่วอินเดียชาวอินเดียเลื่อมใสและพร้อมจะยึดถือเรื่องนิยายมากกว่าเรื่องจริงเสมอโทษของสัมผัสปลาปะมีโทษน้อยเพราะอาเสวนะคือการสั่งสมน้อยมีโทษมากเพราะอาเสวนะคือการสั่งสมมากอีกอย่างหนึ่งมีโทษน้อยเพราะผู้อื่นไม่ได้ยึดถือเอามาเป็นสาระ มีโทษมากเพราะมีคนอื่นถือเอาเป็นสาระในเรื่องกิเลสอ่อนและแรงกล้าก็เหมือนกันองค์ประกอบของสัมพับปลา ป, ปะมีสองประการคือ 1. ความมุ่งพูดเรื่องอันไรสาระ 2. พูดเรื่องนั้นออกมา 8. อภิชาอภิชาแปลว่าเพ่งเล็งหมายความว่า จิตน้อมไปละโมบทรัพย์ของผู้อื่นเป็นต้นว่าเะไหนหนอทรัพย์นี้พึงเป็นของเราเมื่อจิตคิดอย่างนี้กรมบทย่อมขาดอภิชานั้นมีโทษน้อยหรือมากแล้วแต่บุคคลที่ถูกเพ่งเลงเอาทรัพย์มีคุณมากหรือน้อยองค์ประกอบของอภิชามีสองประการคือหนึ่งของของผู้อื่น 2. น้อมใจอยากได้ของของผู้อื่น 9. พยาบาทพยาบาทคือความที่จิตปองร้ายปราถนาความที่นาดของผู้อื่นสัตว์อื่นทำนองว่าฉะไหนหนอสัตว์นี้พึงถูกทำลายพึงตายเป็นต้นหากไม่คิดเช่นนั้นเพียงโกรธเฉยเฉยไม่ยอมพูดด้วย ไม่ยอมสมาคมคบหาด้วยเพราะเหตุเจ็บใจท่านเรียกว่าอุปนาหะคือผูกโกรธสภาพของพยาบาทต้องผูกใจเจ็บและมุ่งหวังความพินาศของบุคคลนั้นๆจะลงมือทำหรือไม่ทำก็ตามองประกอบของพยาบาทมีสองประการคือ 1. บุคคลอื่นมีอยู่ 2. ความคิดเพื่อความพินาศของบุคคลอื่นนั้น สมิมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดหรือเห็นผิดจากทานองคลองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเป็นต้นมิจฉาทิฏฐิมีโทษน้อยเพราะมีการเสพคุนคืออาเสวนะน้อยมีโทษมากเพราะมีอาเสวนะมากคือหนาแน่นมากและลึกมาก องประกอบของมิจฉาทิฏฐิมีสองประการคือ 1. เรื่องไม่เป็นจริงตามที่เห็นไปเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีแต่ความจริงการทำดีย่อมได้ดี 2. ความไม่เป็นจริงนั้นปรากฏแจ่มแจ้งว่าไม่เป็นจริงอย่างนั้นแน่ๆวมิจฉาทิฏฐิสประการ ในที่นี้ท่านยกมิจฉาทิฏฐิสามประการขึ้นกล่าวว่าเป็นบาปมากคือหนึ่งอกิริยาทิฏฐิการเห็นว่าทำบาปไม่ชื่อว่าทำเพราะบาปไม่มีบุญไม่มี 2. องอเหตุตุกะทิฏฐิการเห็นว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเองผ่องใสบริสุทธิ์ได้เอง สนักทิกรรทิฐิการเห็นว่าผลบุญผลบาปไม่มีการให้ทานรักษาศีลไม่มีผลอะไรโทษของนิยตามิจฉาทิฏฐินิยตามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอันดิ่งลงไปไม่คลอนแคลนไม่ลังเลในมิจฉาทิฐินั้นท่านกล่าวว่ามีโทษมากมากกว่าอนันตริยกรรมเสียอีกเพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในเอกาณิบาตอังคุตระนิกายว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นอะไรมีโทษมากเหมือนวิชาทิฐิเลยวิชาทิฐินี้แลเป็นยอดโทษบุคคลผู้ประกอบอนันตริยกรรมมีฆ่ามารดาบิดาเป็นต้นแม้จะต้องตกนรกก็จริงแต่ยังมีกำหนดการเวลา แต่บุคคลผู้ติ่งลงสู่มิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ได้สวรรค์ไม่ได้มรรคผลในเวลากับพินาศคนทั้งหลายพากันเกิดในโรมโลกแต่เนืยอตมิจฉาทิฏฐิบุคคลไพร่ไปเกิดในหลังจักรวาลและถูกไฟไหม้อยู่ที่หลังจักรวาล น, นั้นเขาเป็นตอในวัฏฏะจริงๆพระพุทธเจ้าจำนวนร้อยจำนวนพันพระองค์ ก็ไม่อาจให้คนผู้เป็นนิยตามิจฉาทิฐิตรัสรู้ธรรมได้ต่อเมื่อเขาสละมิจฉาทิฐินั้นเสียได้แล้วจึงจะตรัสรู้ธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้หวังความจริงก็ควรหลีกมิจฉาทิฐิเสียให้ห่างไกลเพราะนอกจากจะทำอันตรายแก่ตนแล้วยังทำอันตรายผู้คบหาสมาคมอีกด้วย ท่านกล่าวว่ากรมมบทจะขาดก็เพราะมิจฉาทิฏฐิสมประการดังกล่าวมาแล้วหาขาดเพราะทิฏฐิอย่างอื่นไม่ถึงกระนั้นก็ตามบุคคลผู้ฉลาดไม่ควรยึดมิจฉาทิฏฐิอะไรอะไรไว้เพราะจะทําให้ตกอบายสมจริงดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสิ่งอื่นใดแม้สักอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายไปอบายทุกขติวินิบาตนรกเหมือนอย่างมิจฉาทิฐินี้เลยสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิย่อมตกนรกอย่างแน่นอนกุศลละรามบทสิบกุศลละการรมบทแปลว่าทางแห่งกุศลตรงกันข้ามกับอกุศลละกรรมบทมีสิบประการเหมือนกันคือ หนึ่งการงดเว้นจากปานาติบาตสองการงดเว้นจากอธินาทานสามการงดเว้นจากกาเมสุมิชฉาจาร 3. สามอย่างนี้จัดเป็นกายกรรมสี่การงดเว้นจากมุสาวาทห้าการงดเว้นจากปิสุนวาจาหกการงดเว้นจากพรุสววาจาเจ็ด การงดเว้นจากสัมผัสปลาปะสอย่างนี้จัดเป็นวจีกรรม 8. การไม่มีอภิชา 9. การไม่พยาบาท 10. สัมมาทิฏฐิสอย่างนี้จัดเป็นมโนกรรมรวมเป็นสิบประการเห็นจะไม่ต้องอธิบายเพราะเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับอากุศลลกรรมมบทสิบตามที่กล่าวมาแล้ว การงดเว้นนั้นท่านเรียกในภาษาบาลีว่าวิรติหรือที่เราแผลงใช้คำว่าวิรัตหากเป็นคุณศัพท่านใช้คำว่าเวรมะนีคือเจตนาคือเจตนางดเว้นเช่นปานาติปาตาเวรมะนีเจตนางดเว้นจากปานาติบาตจะใช้คำว่าวิรมณีก็ได้